ปัจฉชาตะได้แก่เหตุ He uh, เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ขันที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยวิบยุตตาปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิบยุตตาปัจจัยปูเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายญาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นเหตุโดยวิบยุตตปัจจัย ปชาชาตะได้แก่ครั้นที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กลายในที่เกิดก่อนโดยวิบิยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยวิบิยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปุเรชาตะชหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทยยวัตุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยวิบยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่ พาทยวัต er ouais. ุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยวิบยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะพาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสมยุตตะขันโดยวิบยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พาทยวัตุ เป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตะขันโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่เหตุและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุและจมปยุตตะขัน เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิบยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่เหตุและสจำยุตตขัน์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตปัจจัยอธิปัจจัย39สสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยอธิปัจจัย พึงผูเป็นจักรไนัยโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็น จ, กกนน จ, กจักรไ น, กกนในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุด้วยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ปัจฉาชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะสัมำยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยพึงผูเป็นจักกนัยโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะสัมำยุตตะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจพึงผูกเป็นจกกนักรไนในปฏิสนธิขณะสี่สิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจใจมีห้าอย่างคือสหาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสาม และจิตตสมุมฐานรูปโดยอธิปัจใจขันสองในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นปั จ, จัยแก่ขันสามและกะตัตตารูปขันเป็นปัจใจแก่หาทยวัตถุโดยอธิปัจใจหาทยวัตถุเป็นปั จ, จแจแก่ขันโดยอธิปัจใจมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน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 สหศชาตะและปุเรชาตะสาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตเหตุโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาต หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุด้วยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสามเหตุและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่เหตุและจำปยุตตะขันโดยอธิปัจจัยปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขลุฟังเสียงด้วยที่ปรโสตธาตุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและจำปยุตตะขันโดยอธิปัจจใจ41สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุด้วยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่อโลภะและสัมปยุตตขันเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกันในโลภะและสัมปยุตตะขันเป็นปัจ จ, ป จ, จัจกก ย, แ, ยจจแก่โมหะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกนันในในปฏิสนธิขณะ อโลภะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อโทสะอมโมหะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจกนักรไนสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันสาม และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะเหตุและหาเทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจใยสหชาตะได้แก่เหตุและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใยปัจชาชาตะได้แก่เหตุและโฟลิงกะราหาน เป็นปันจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่เหตุและรู ป, ปรชีวิตติทรีย์เป็นปันจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและแอลโลพะ เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามอโทสะอโมหะและจิตตสมุฐานรูปโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจกกนักรไนขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจกกนักรไนในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอโลภะพึงผูกเป็นจกกนักรไน ในปฏิสนธิขณะอโลภะและหาทียวัตถุเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะและสัมปยุตตะขันโดยอธิปัจจัยโลภะและหาทียวัตถุเป็นปัจจัยแก่โมหะและสัมปยุตตะขันโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ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 ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวุปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัครปัจจัยมี9้าวาระสมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ อธิปั จ, จัยเมฆ้าวาระนัติปัจจัเมฆ้าวาระวิคตะปัจจัเมฆ้าวาระอวิคตะปัจจัเมฆ้าวาระผู้รู้พึงนักอย่างนี้อนุโลมจบสองป จ, จนียุทธาระสี่สบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอรหมนะปัจจัยสหาชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปุเรชาตาปัจจัยและปัจฉาชาตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปานิสยปัจจัย44สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนณิสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรมมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและกรรมปัจจัย45สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอริมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอริมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัย 2. ปัจญยปัจญเนยะ 2. สังขยาวาระสี่หก นเหตุปัจจัยมี๙วาระเนอรัมณะปัจจัยมี๙วาระนัววิกตะปัจจใจมี๙วาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยจบ๓ปัจจญานุโลมปัจญิยเฮตุทุกนัย๔๗เนอารัมณะปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมี๓วาระเนอธิปฏิปัจจัยมี๓วาระเนอนันตระปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมี๓วาระ ณสมณันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณมัคคปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบสี่ ปัจยปัจญิยานุโลมนเหตุทุกขนใน48อารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตตปัจจัยมีสามวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ ปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวเนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสาวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตปัจจัยมีสามวาระ อธิปัจจัยมีสามวาระนัตถปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบเหตุทุกกะจบ เตุกระทุกระหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังเขวาระเหตุปัจจัยสี่สเก้าสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธ่ขณะห้าสิบ สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นมหาภูต ร, รูปสาอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและขจัตะตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่สำปยุติตะขันอาศัยโมหะที่สหะรคตด้วยวิจิกิจฉาหรืที่สหะรคตด้วยอุทัชฌะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรูปคด้วยจิกิจฉาและที่สหรูปคดุอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่มีเหตุอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จได้แก่ขันสาม อาศายขันหนึ่งและโมหะที่เสะหราคดด้วยวิจิกิชาและที่สหราคดด้วยอุทจจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปอาศัยขันและโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งและโมหะ ที่สหรค ก, กด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคกอด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองประตัตารูปอาศัยขันที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย5สบสสภาวธรรมที่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึน้นเพราะอาริมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึน้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึน้นเพราะอาริมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรโคดุอุทัจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคดุอุทัจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองห้าสิบสาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น เพราะอารหัมนะปัจจัยได้แก่ขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีเหตุอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารหัสนะปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธจจะเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณนะขันที่มีเหตุอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธร ร, ร, รรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณะปั จ, จัยได้แก่ขันสอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่หสาะรอด้วยจิกิจฉาและที่เสาะรอด้วยอุทะจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณนะขันสอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุ และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองอธิปติปัจจัย54สภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่มีเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองห้าสห้าสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปหนึ่ง จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอ น, นันต ร, ประปัจจัยเป็นต้นห้าสิหสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรม ท, ที่มีเหตุเกิดขึ้น เพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิ ต, ตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นโมหะที่เสหะรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่เสหรขอดว้วยอุทจฉา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 อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธจักเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยโมหะ ที่สหร์รคกโด้วยวิจิกิจฉาและที่สหร์รคกโด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาไทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น เพราะสหชาตปัจจัยทั้งห้าวาระนี้เหมือนกับเหตุปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันอัญญมัญญปัจจัยห้าสิบแปสภาวธรรมท <am> ี่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้น อัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรักด้วิจิกิจฉาและที่สห์รักขดุอุทะจะอาศัยขันที่สหรคกด้วิจิกิจฉาและที่สห์รักขดุอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุอาศัยขันที่มีเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ขันสามและโมหะ อาศัยขันหนึ่งที่สห์รักรด้วยวิจิกิจชาและที่สหรร์รักด้วยอุทะจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและหาทายวัตุอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองห้าสิบสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น อาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและหาทายวัตถุอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองย่อพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญสัตตพรมสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยโมหะที่สะหออ้อยรักวิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่มีเหตุอาศัยหาเทววัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองในปฏิส right นธิขณะ ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองนิสยาปจจัยปจเป็นต้นหก ส, สิบสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนิสยาปจจัยเพราะอุปนิสยาปจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเสวณปัจจัยเพราะธรรมะปจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทรียปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยชานะปัจจัยและมรรคปัจจัยเหมือนกับสหชาติปัจจัยไม่มีมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระ สุทนายหกเอเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอันันตระปัจจัยมีหกวาระสมณันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ อาเจวะณะปัจจัยมีหกวาระกรรมะปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัจจัยมีเ้าวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระฌานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถิปัจจัยมีหกวาระ วิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังขวาระนั่เหตุตปัจจหกส2บสองสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนั่เหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่จะหัรูคดุวิจิกิชฌาและที่จะหัวรู้คดุอุทจจะ อาศัยขันที่สหะรคตรด้วยวิจิกิจชาและที่สหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัย ส, สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มทุกข์ปวดจนถึงอาศัยเนสตาพรมหน้าอรมาณปัจจัยเป็นต้น 13. สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูป อาศัยโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะภาทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเราอาสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพรา ะ, ะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุ และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทธจฉาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะหนะอธิ ป, ปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหาชาตะปัจจัยในอนุโลมเพราะหนะ้าอนันตระปัจจัยเพราะนะสมนันตระปัจจัย พระณะอัญญามัญญปัจจัยเพราะณะอุปนิสยปัจจัยเพระณะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอ ร, รูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุในปฏิสนธิขณะหกสิ 64. สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรคตุวิจิกิชาและที่สหรคตุอุทจจะ อาศัยขันที่โสหะรคดยจิกิชฌาและที่โสหะรคดยอุทะ จ, จะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่โสหะรคดยจิกิชฌา และที่สองเราค่อยดูยอุทจจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุอาศัยขันสองจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอาศัยโมหะ ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปคดุอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงขยายให้พิดารจนถึงอสัญญาสัตตพรมสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมยุญตะขันอาศัยโมหะที่สหรูปคดุ ว, วิจิกิจฉาและที่สหรูปคดุอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันที่มีเหตุอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาติปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่มีเห ต, ń, อาา ต, ตุอาศายาัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตรารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นหกสิบห้าสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น เพราะ น, นปุเรชาตปัตจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น พระนภุ vertex, at, um e. เรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหโรคดุวิจิกิจฉาและที่สหรคดุอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นพระนภุเรชาตาปัจจัยได้แก่ ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกระ ต, าตาัตรารูปอาศัยขันที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนปัจชาชาตาปัจจัยเป็นต้นหกสิบสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปัจชาชาตาปัจจัยเพราะนอาศัยวณปัจจัยเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่ เจตนาที่มีเหตุอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีเหตุอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุกเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่ สัมปยุตตเจตนาอาศัยโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆดุอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันและโมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆดุอุทะจะเกิดขึ้นเพราะนวิปากระปัจจัยไม่มีปฏิสนธ ER. ิ ณอาหารปัจจัยเป็นต้นหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทริยปัจจัยเพราะณชานะปัจจัยเพราะนะมรรคปัจจัยเพราะณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยเป็นต้นหกสิบปดสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณวิปยุตตปัจจัยได้แก่ ในรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรโคดุอุทะจะอาศัยขันที่สหรโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรโคดุอุทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่โสรคตวิจิกิจฉาและที่สรคดุอุทธะจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น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 ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรคดุ ว, วิจิกิจฉาและที่โสหรคดุอุทะจะเกิดขึ้นอาศัยขันสองพระโนนติปัจจัยเพระโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจยปัจจนียะสองสังคยาวาระสุทไน69นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารามณปัจจัยมีสามวาระ นณธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอจจะวะณปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจใจมีสี่วาระนวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ tuo, ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ crude, okay, ز, ่งวาระณชานะปัจจัยม <Nh ân, S 2> ีหนึ่งวาระณมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระโนนัติปัจจัยมีสาวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนิยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนิยะ เหตุทุกข์ในเจ็ดสณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ ณอเสวณปัจจัยมีเก้าวาระนกรร ม, มะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจใจมีเก้าวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปุญตปัจจัยมีสามวาระนโณ น, นติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจใจมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจญยะจบสปัจญะปัจญยานุโลมณเหตุทุกขะัย เจออารมณปัจจัยกำนั้นเหตุปัจจัยมีสองวาระอันันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมคระปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระ อาวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปั จ, จนิยานุโลมจบสหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ